การนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อเช้ารู้สึกว่ามันจะไปคิดบ่อยนะครับแต่ตอนนี้คือมันจะดีขึ้นละใจใจไม่ตั้งมั่นนะดูออกไม่ใจกระจายออกไปครับความรู้สึกตัวเรามันไม่ถึงฐานของมันกระจายดูออกไหมครับมันไม่ธรรมดาเกิดธรรมดาซู้เมื่อวานไม่ได้เมื่อวานเป็นธรรมชาติกว่านี้ คุณหมอมีอะไรคุยไหม <c oughs> มาจากอเมริกาหมอคงสักพวกเราชอบเล่นเน็ตคงเคยเห็นท่านบ้างช่วงนี้จิตไม่ค่อยมีกำลังไม่ตั้งมั่นนะคะแล้วก็จุนเห็นพบที่จุนเคยเข้าไปติดอยู่บ่อยๆอะค่ะเห็นมันเหมือนลูกบอลโดรนกดน้ำนะคะโดนกดคือ มุมีน้ำอยู่ในถังอะค่ะแล้วมีลูกบอลเล่บอลลอยอยู่แล้วก็มีมือกดอะคะ<ช>่ะแล้วมันก็เห็นว่ามันมีแรงกดมันก็ไม่ได้ไม่ได้เที่ยง <c oughs> แล้วก็ไอ้แรงดิ้นมันก็ไม่ได้เที่ยง <c oughs> แล้วก็ดูดูมันไปแล้วถ้าใจมันกดนะไม่มีปัญหาค่พอใจเราเห็นใจไปกดปุ๊บใจใจไม่ชอบขึ้นมาเนีะให้ใจไม่ชอบให้รู้ทันเพราะงั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไร สภาวะที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วเกิดขึ้นให้รู้ไปพอรู้แล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาก็ค่อยรู้ทันเอาตอนนีเ้เหมือนกับจุนก็คอยฝึกดูค่ะเวลาที่เห็นสภาวะอะไรแล้วมันอยู่นานหรือว่าแบบมันเริ่มเริ่มเริ่มอยู่นี้ปุ๊บจุนก็จะเริ่มเหมือนเฉลี่ยกับมาดูว่ามันมียินดียินร้ายอยู่ตรงนั้นน่ะมันใช้ได้ไหมจิตขณะา น, านี้เป็นไงตอนนี้มันมัน มีโมหะแล้วก็มีโมหะแล้วก็กดไว้ค่ะนะให้รู้ลงไปแรงกดมันนิดเดียวแค่นี้มันมันเหมือนปกติมากเลยนะคะหลวงพ่อตอนนี้เหรอมันมันเรียกว่าไงคะคือจุนเคยเพ่งมากกว่านี้<ห>แรงกดเบาแค่นี้เลยรู้สึกยังสบายอยู่หลวงพ่อรู้สึกกดแค่นี้ก็ลำบากแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมชาติเกินจริงนะถ้าเมื่อไหร่เกินจริงก็ปรงแต่งขึ้นมา ให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ให้ไปทำขึ้นมานะใจหนีไปแล้วรู้สึกไหอแต่กดน้อยลงรู้สึกั้มตอนที่เราเลิกกดไปเนะี่ยมันจะฟุ้งซ่านง่ายนี่พวกเรากลัวเผลอกลัวหลงเราก็จะทนไม่ได้นะกลับมากวดอีกกลัวไม่ดีตอนนี้งานเยอะค่ะกิจกรรมฟุ้งซ่านเยอะมากเลยค่ะไม่อาชีพเราต้องฟุง้งซ่านเราแต่งเพลงใช่ไม ถื้นไปเขียนสิว่างเปล่าสงบมีเวกส่งกระดาษเปล่าอะไร อ, ะอย่างเงี้ยพอถึงเวลานักบันเลง น, นะนักดนตรีเล่นจิ้งเงียบชั่วโมงติ้งต้องไปเล่นละครโน่นี่เมื่อเราอาชีพเราฟุ้งซ่านใช่หมหมดเวลาแล้วเนี่ยรีบดูเร็ว แต่มันต้องอดจินตนาการไม่ได้นะเหมือนต้องอาศัยจินตนาการที้เราค่อยไปเขียนของจุนไม่เขียนแบบว่าเขียนให้เสร็จในสองชั่วโมงอะค่ะคือจุนเหมือนต้องเอาเมโลดี้มันใส่ไปในหัวแล้วก็พอถึงเวลาคิดได้คิดออกก็เขียนไว้แล้วบางทีมันก็วนมาวนมาคิดได้คิดออกก็เขียนไว้แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยภาวนาไปถ้าคิดได้คิดออกมาก็เขียนไว้อะไรอย่างเงี้ย น, นะคะเลยใช้เวลานานกว่านคนอื่นก็ <laughs> จริงๆนะทําสมาธินะ สมมติว่าเราต้องเขียนเดือนละสองเพลงอะไรเงี้ยเราทำสมาธิแล้วเราก็อธิษฐานให้มันแต่งให้เราแอบเดียว <laughs> ให้มันแต่งให้ <c oughs> เคยมีนะหลวงพ่อพุทธท่านเล่าให้ฟังลูกศิษย์ท่านเป็นสถาปนิกเขาจ้างออกแบบอะไรไม่รู้ยากมากเลยเครียดคิดยังไงก็คิดไม่ออก แกก็เลยเลิกเลิกเลยไม่คิดมาแล้วทําใจสบายทําสมาธิไป mm hmm. พอจิตรวมลงไปนะมันเห็นแผนนี้ขึ้นมาเลยรีบลอกใหญ่ mm hmm. รอไปส่งจิตมันทําได้นะฟังดูคล้ายเรื่องของด็อร์อาจองค์ชุมสายนะคะที่ mm hmm. ออกแบบยานไปนลงดาวองคาลคล้ายๆอย่างเนี้ยค่ะที่บอก mm hmm. ว่าไม่ไม่ไปหาทางแล้วไปนั่งสมาธิแล้วเสร็จแล้วก็แบบเห็นอันนี้มาแล้เลยวาดออกใบใหญ่เลยว่าเป็น mm hmm. ออกแบบอย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้ เราดีแล้วที่ภาวนาตอนนี้หลวงพ่อชวนคุยรู้สึกไหมคลายออกแล้วรู้สึกไหมจิตสงบกว่าเมื่อกี้ด้วยดูออกไหมจิตสบายจิตเบาขึ้นดูออกหรือเป่าเบาขึ้นแต่ว่าจนไม่เห็นว่ามันสงบกว่าเมื่อกี้รู้สึกมันมันมันเมื่อกี้เนี่ยมันทั้งหนักนะแล้วก็กระแทกกระทันตอนนี้มันนุ่มนวลขึ้นดูออกไหมมันเบิกบานขึนเบิกบานนะมันนุ่มนวลมันเบา ่จิตแค่มีผัสสะนะจิตเราก็เปลี่ยนแล้วเพราะงั้นเราหัดใหม่ๆเนี่ยการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะงั้นท่านถึงบอกว่ามีปฏิรูปประเทศเป็นมงคลนะอยู่ในที่ที่ดีหรือว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรมีอะไรเงี้ยจำเป็นเพะงั้นเรามีโอกาสเราก็ต้อง ออกมาจากสภาพยุ่งๆของโลกบ้างเป็นครั้งคราวนะไป ห, หาที่ภาวนาบุญญาวาดอย่างอะไรเนี้ยท่านรับได้เยอะ่อยที่นี่เข้าคิวยาวเปิดสามวันก็เต็มไปครึ่งปีแล้วจนมาอีกที่เดือนธันวาค่ะอืมฤกษ์ิษ์เกือบตกคิวเนะีถึงธันวาแล้วแม่ชีนิสิ์จองให้เบอร์หนึ่งได้ตอนนี้ ก็วันนี้จูรู้สึกว่าตอนเช้ามันจะรู้สึกเพ่งอะค่ะห่อจะเพ่งอีกนนี้ดีขึ้นแล้วนะสังเกตไหมถ้าเราฟังธรรมะมากๆแล้วเคร่งเครียดหลวงพ่อต้องคุยเรื่องอื่นก่อนให้เราลดการตั้งการดลงแล้วก็ตามรู้จูนรู้สึกไหมง่ายกว่าเก่าไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายเราอย่าไปปรุงให้มันยากซะก็หมดเรื่องหลงไปแล้วหนุ่มเนี่ยเบอร์สิบเอ็ด อา้าวเพ่งเลยจูนอัดขึ้นมาเลยเห็นไมไม่เอาอ่าไปอัดขึ้นมาอางั้นรู้เล่นๆรู้สบายๆฟังธรรมะไม่ต้องตั้งใจมากแต่ก่อนเราเรียนหนังสือครูจะชอบสั่งให้ตั้งใจฟังแต่ปีนี้หลวงพ่อสั่งนะอย่าตั้งใจฟังนะฟังเล่นๆรู้เรื่องก็ได้ไม่รู้เรื่องก็ได้ฟังแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจแค่นั้นก็พอแล้ว ฟังไม่รู้เรื่องแล้วงงรู้ว่างงก็ใช้ได้แล้วเราเรียนกรรมฐานเราไม่ได้เรียนให้เกิดความรู้ความรู้ในทางธรรมะถ่ายทอดกันไม่ได้ความรู้ทางธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวรู้ขึ้นเองหน้าที่ของเราก็คือฟังธรรมะจนกระทั่งเราจําสภาวะได้นะฟังเล่นๆอย่างเงี้ยถ้จิตมันสบายก็รู้จิตมันหนักขึ้นมาก็รู้มันเคร่งเครียดก็รู้เนี่ยผิดธรรมดาอีกแล้วรู้สึกไหมหัดดูมันไปเรื่อยๆ รู้สภาวะไปะจิตจำสภาวะได้แม่นยาแล้วสติจะเกิดเองถ้าสติมันเกิดเองเพราะว่าเห็นสภาวะเห็นรูปเห็นนามเนี่ยจิตจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาด้วยจิตมีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจจิตก็จะเกิดความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในการรู้กายรู้ใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหาก เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวทางานไปจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ต่างหากนี่เรียกว่าเรามีสมาสมาธิแต่ว่าตรงที่มีผู้ดูอยู่ต่างหากอย่าจงใจดึงขึ้นมานะถ้าจงใจดึงขึ้นมาไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้อีกใช้ไม่ได้อีกละเพราะนั้นตัวใจเราจะตั้งมั่นรู้ตัวขึ้นมาได้อาศัยว่าจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติเกิดพอสติเกิดจิตมีความสุขจิตมีความสุขจิตมีความตั้งมั่นขึ้นมา จิตตั้งมั่นแล้วเห็นกายอย่างที่เขาเป็นเห็นใจอย่างที่เขาเป็นเรียกว่าวิปัสนาเจริญวิปัสนามาก้ามาก้าก็าเกิดความเข้าใจเกิดตัวปัญญาเข้าใจว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์ใจก็จะเลิกริ้นรนปล่อยวางความยึดถือกายยึด ถ, ถือใจเกิดมากเกิดผลไปเพราะฉะนั้นหัดเนี่ยหลงไปแล้วจูนรู้สึกไหมอ่านีไปแล้วนะหนีออกนอกวัดไปแล้ว <c oughs> ดีนะไม่ไปแต่งเพลง เห็นว่าพอมันอยากขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไระคะ่ะหลวงพ่อมันมันไม่มีความสุขไม่มีหรอกแล้วแล้วพอวา่าที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าใช่ไมมีความอยากแล้วไม่มีความสุขคนทั่วๆไปนะไม่สมอยากถึงจะมีไม่ไม่สุขถึงจะทุกข์ของเราแค่อยากก็ไม่สุขแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วต่อไปนะจะเห็นอีกมีขันอยู่ก็มีทุกข์จะอยากหรือไม่อยากก็มีทุกข์นะ ไปอีกชั้นหนึ่งงั้นตอนนี้เราก็มาเห็นระดับกลางๆเมื่อไหรอยากเมื่อไหรยึดเมื่อนั้นทุกเมื่อไรไม่อยากเมื่อไร่ไม่ยึดเมื่อนั้นไม่ทุกเห็นอย่างนี้แต่เห็นบ่อยๆแล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นจิตจะอยากก็ห้ามมันไม่ได้เนไจิตจะยึดก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้เจิตจะหมดความอยากหมดความยึดหมดความทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้อีกแลพอมันว่างสบายตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้อีกเห็นไหม เนี่ยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะปัญญามันจะเกิดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี้ชั่วคราวหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นเลยนะดูอย่างนี้เรื่อยๆนะถึงจะเข้าใจธรรมะคุณหมอดีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมันพลิกไปเห็นตอนที่มันอยากมากๆะคะ่ะหลวงพ่อคือมันมันเกิดขึ้นมาแบบต่อๆกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันบังเอิญรู้ขึ้นมาแล้วมันแยกออกมาเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกับพายุอยู่ข้างนอกอะคะ่ะหลวงพ่อ นั่นแหละเวลาที่เราเห็นปรากฏการ์แล้วเราถลำลงไปรู้ปรากฏการ์ทีละอันทีละอันนะวุ่นวายถ้าเมื่อไรใจถอดถอนออกมาอยู่ต่างหากนะเราเห็นปรากฏการ์เหมือนพายุอยู่โน่น น, ะนี่ไม่กระเทือนเลยอยู่ต่างหากใจจะอยู่ต่างหากถ้าเห็นปรากฏการ์นั้นก็เพิ่มไหวอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราเห็นปรากฏการ์แล้วใจเราถลำลงไปดูมันจะเกิดดับไปพร้อมปรากฏการ์คราวนี้เหนื่อยแล้วยุ่ง ฟุ้งซ่านสับสนดูอะไรไม่รู้เรื่องลนะเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่กลางพายุเคยเห็นลมหมุนหมุนไขี้ฝุ่นเยอะๆหลุดเข้าไปอยู่นะนั่นแย่เลยดูอะไรไม่ออกเพราะงั้นเวลาที่หลวงพ่อสอนเรื่อยๆอย่างสุงวัจิตมันฟุง้งซ่านมากจับอารมณ์นี้จับอารมณ์นี้จับอารมณ์นี้คือมันเปลี่ยนรวดเร็วมากดูไม่ทันนะอย่าถลําลงไปดูดูภาพรวมเลยให้ดูภาพรวมแนละ้วเห็นปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เป็นอันเดียว แล้วทั้งหมดนี้กำลังฟุ้งซ่านอยู่ใจอยู่ต่าหากแล้วสบายแล้วได้ mm hmm. ค่อยฝึกนะกว่าจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแต่ละอันแต่ละอนบางทีเป็นปีเลยอย่างเรื่องนี้เคยบอกมานานแล้วลืมไปแล้วมัง้งเพราะงั้นภาวนานะถึงอย่าฟังด้วยหูคิดด้วยสมองไม่รู้เรื่องหรอกต้องเห็นสภาวะพอเห็นสภาวะแล้วมันซาบซึ้งถึงอกถึงใจเห็นไหมมันจําแม่น การที่เราเห็นสภาวะยังทราบซึ้งถึงอกถึงใจนี่แหละความจําอันนี้ฝังเข้าไปในจิตของเราข้ามพบข้ามชาติไปได้อยากข้ามพบคําชาติได้อย่างใช้อ่านเอาใช้ฟังเอาใช้ท่องเอาไม่ข้ามพบข้าชาติหลายคนนะผมก็เคยได้ยินบอกไปเรียนอภิธรรมเนี่ยหวังว่าความรู้นี้จะข้ามพบคําชาติเพราะว่าไม่จริงหรอกสอบเสร็จก็ลืมแล้วมันจะข้ามได้ไงความจํามันไม่เที่ยง แต่เ น, นี่ยมันแมามันฝังลึกเข้าไปในใจเพราะเราเห็นสภาวะจริงๆฝังเข้าไปเนี่ยอันนี้แหละข้ามพข้ามชาติไปได้อย่างอย่างตู่เนี่ยสมมุติว่าชาตินี้ไม่ได้มรรคผลอะไรนะชาติต่อไปง่ายมากเลยง่ายมากเดินๆินไปรถมายางแตกข้างๆเปรี้ยงหนึ่งตกใจขึ้นมาก็กลับมาดูได้เลยมันง่ายขนาดนั้นละอา้าวจุ๊กจุก็สครู่ตอนที่ หมมาถึงอาจารย์ตู่จะตื่นเต้นมากกว่านี้เจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองก็ไปกดแล้วก็ประคองมันอยู่ mm hmm. ตอนนี้ก็ประคองอยู่เจ้าค่ะแต่รู้สึกมันมันไม่เกรงมากเหมือนเมื่อสักครู่เจ้าค่ะใช่ได้แล้วนะใช่ได้แล้วแล้วก็ช่วงเช้าวะโยมพยายามดูไม่แน่ใจว่าเห็นเหมือนอะไรคลุมๆอยู่อ่ะเจ้าค่ะอ mm ื hmm. ไม่แน่ใจว่าอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกโมหะ ห, หรือเปล่าเจ้าค่ะโมหะแล้วก็นะเห็นว่าซึมๆเจ้าลงมาแล้วตู่ฮะ นั่นแะสิอ้าวต่อไปต่อไปมีอะไรไหมไม่มีส่งต่อไม่ว่าอะไรหรอกอุทยว่าไงอไทัยป่ะใกลๆกําแพงใกลๆกำแพอวว่าไปช่วงนี้ก็ก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็จริงๆวันนี้ก็ไม่รู้จะส่งอะไรเพราะว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาภาวนาก็ต้องเอาความจริงนะฮะแต่ว่า เมื่อเช้าว่าโมหะเยอะขณะนี้ก็ยังสแกนตรึงไว้ด้วยไม่ค่อยได้ยินอะตอนนี้ก็โมหะเยอะครับแล้วก็ไม่เยอะมากเท่าไหรแ่แต่ก็จงใจแทรกแซงอยู่เรื่อยนี่แทรกแซงนิดเดียวนะว่าเยอะโมหะนิดเดียวว่าเยอะนี่เยอะแนละ้วบอกน้อยนี่นิดเดียวบังคับไว้นิดเดียวแล้วที ที่ดูทั้งวันแล้วมันเห็นแต่อกุศลเยอะๆเนี่ยครเออนั่นแหละขณะที่เห็นอกุศลนั่นแหละได้กุศลส่วนมากสนไม่ได้คิดว่าธรรมะต้องเป็นฝ่ายกุศลนะแท้จริงธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีเรื่องว่าอากุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลธรรมธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มีเป็นอัพยากตธรรม เพราะงั้นทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่ธรรมะทั้งสิ้นใจเราต่างหากให้ค่ามันไม่เท่ากันเราให้ค่าบวกกับความสุขให้ค่าลบกับความทุกข์ให้ค่าบวกกับกุศลให้ค่าลบกั บ, บกุบศลเกิดค่าบวกค่าลบเกิดการให้ค่าขึ้นมาจิตก็ดิ้นรนทํางานกุศลเกิดหรือความสุขเกิดก็ดิ้นร น, อนรักษาอกุศลเกิดหรือความทุกข์เกิดก็ดิ้นรนทํำลายมัน เมื่อใจดิ้นรนใจจะสร้างภาระขึ้นมาสร้างความทุกข์ซ้อนขึ้นมาในใจแต่ถ้ารู้สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ดิ้นรนต่อไปนะขณะนั้นมัวอยู่นี่แหละใจเบิกบานแจ่มใสเป็นไปได้นะขณะนี้โกรธอยู่นีนะใจอีกตัวหนึ่งชุ่มฉ่ำเบิกบานนะค่อยฝึกไปนะจนกระทั่งขันอยู่ส่วนขันเลยจิตอยู่ส่วนจิตนะค่อยฝึกไป จิตกระขันไม่ติดกันไม่เปื้อนกันเหมือนดอกบัวอยู่กับน้ํานะอยู่กับโค ล, โลนไม่เปื้อนน้าไม่เปื้อนโค ล, โลนแต่ดอกบัวเน่าเปื้อนนะดอกบัวพอเน่าก็เปืเป้อนน้าเปื้อนโคลนดันั้นต้องเป็นดอกบัวดีๆหน่ยก็ยังเห็นก็ยังเห็นสิ่งแปลกปลอมแยกแกันอยู่นะฮะหลวงพ่อแต่คนที่เห็นอยู่มันก็ยังมีคนที่เห็นอยู่เนี่ยมันมันตั้งมั่นแรงไปนิดนึงขนาดเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตั้งแรงไป ตั้งแรงเกินไปสังเกตไหมตัวอื่นไม่เที่ยงยกเว้นตัวนี้ใช่ครับตัวอื่นไม่สุกยกเว้นตัวนี้ใช่ครับตัวอื่นเป็นอนัตตายกเว้นในตัวนี้นี่แหละตัวเราดูอยู่ตรงนี้เองใครรู้เอาเราต้องไปจะต้องทำยังไงหมถามว่าจะทำยังไงเอาเอาเป็นว่าที่ทำอยู่นี่จะรู้ได้ใช่ไหมครับใช่ได้ ดูไปเรื่อยๆจนไอ้ตัวเรานี้เป็นสิ่งถูกดูใช่ไหมครับใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะของถูกรู้ถูกดูหมดเลยไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงไม่เข้าไปแทรกแซงนะรู้แล้วจบลงที่การรู้เราพ่อยกตัวอย่างให้สมมติว่าใจเราไหลไปคิดพวกเราเคยเป็นใช่ไหมไหลไปปกติพอเรารู้ว่าไหลเราจะดึงตรงที่จิตเราไหลไปเนี่ยส่งไปส่งออกไปนะส่งออกนอก ตรงที่รู้ไหลเนี่ยเป็นกลางเรียบร้อยแล้วตรงที่ดึงเนี่ยส่งเข้าข้างในแล้ม้วนกลับข้างส่งนอกก็ผิดนะส่งในก็ผิดแต่ตรงที่รู้นั่นแ่ะมันถูกเป๊ะอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาสมมติมันเกิดมัวมัวขึ้นมาหรือมันมีกิเลสมันโกรธขึ้นมาเนี่ยพอรู้แล้วอย่าไปยุ่งกับมันถ้ารู้แล้วสักว่ารู้จริงๆนะมันจะเข้าทางสายกลางเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยแต่ถ้ายุ่งกับมันนะมันจะม้วนกลับข้างเมื่อก่อน ศึกษากับหลวงปู่ดูลใหม่ๆนะได้ยินท่านสอนอยาส่งกี่ด อ, อกนอกเราก็คิดว่านอกก็คือหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านไม่ให้ออกนอกเพราะฉะนั้นเราจะส่งในนี่ลูกศิษย์ที่ชานฉลาดนะส่งในไปเจอหลวงปู่หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมปักมือเรียกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่ฉ <c> ะ <oughs> น, นั้นฟังแล้วงงนะ ครูบาอาจารย์บอกอยา่อออกนอกหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ น, กนี่ไปหาหลวงปู่เทสท่านก็สอนอีกไม่ส่งนอกไม่ส่งในนะดักหัวดักท้ายเลยแท้ จ, จริงคําว่าอย่าส่งกิจออกนอกของหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยหมายถึงอย่าออกนอกการรู้อย่าออกนอกปัจจุบันไม่ใช่นอกในที่ตั้งเนี่ยหลวงปู่เทสบอกว่าไม่ส่งนอกไม่ส่งในนะโอ้ทั้งนั้นเราต้องรักษาไว้ตรงกลาง ไม่หาเรื่องทําอีกแล้วเนี่ยบทมันจะโง่นะมันก็โง่ถาวร อ, อยู่อย่างนั้นเลยนะครูบาอาจารย์ดักหัวดักท้ายนะัมันก็ตีนออกไปอีกปุงตองแต่งเอาไปจนได้อีกนะ <c oughs> แท้จริงคําว่าไม่ออกนอกของหลวงปู่ดูลคืออย่าออกนอกปัจจุบันอย่าออกนอกกายนอกใจไปรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันถ้าไม่รู้กายรู้ใจก็เรียกออกนอกไม่เป็นปัจจุบันก็เรียกออกนอกนะนี่คําพูดของครูบาอาจารย์แต่ละคําแต่ละคํานะโอ้ภาวนากันฟังตาย แลมเดือนแรมปีว่าจะเข้าใจแต่ละตัวใครเล่นหมอลำปิดไว้ก่อนเนอะทำว่ามันหายลืมไปเลยถึงไหนละ่ะอืไม่ส่งนอกไม่ส่งในนะเราไปรักษาไว้ตรงกลางก็ผิดอีกแหละตรงความคือให้รู้ทุกอย่างที่เขาเป็นนะรู้ตามที่เขาเป็นรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่เติมอะไรลงไปในการรู้ รู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าหากจิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าจิตไม่เป็นกลางแล้วมันจะเป็นกลางของมันเองนะแม้มีคีย์เวิร์ดเยอะนะจํายากยาว <c oughs> ใครอัดอัไว้ก็ยังได้นะง่ายนะจริงๆง่ายสุดๆเลยเรื่องภาวนารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เผลอไปไม่ไปเพ่งไว้เผลอไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้นะไม่อยากเผลอไม่อยากเพ่งก็รู้ อะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆเอาไม่ถามเลยเร่อเบอร์สี่สิบสองมีอะไรไหมกลัวอะไรนักหนากลัวค่ะหือกลัวหลงพ่อลอวเอ้ากลัวรู <c oughs> ร้ว่ากลัวไปนะไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตร <c oughs> อย่าได้ไม่กลัวเรียนอยู่ค่ะอืดีแล้วอาจารย์สุรวัตรเก่งนะ อาจสุรวัตรเนี่ยเป็นกาลยานามิตรหลวงพ่อไม่ค่อยชมใครว่าเป็นกาลยานามิตรนะยิ่งเป็นนักเรียนไรแล้วบอกกาลยานามิตรนี่ไม่ใช่อะ <c oughs> กาลยานามิตรที่แท้นะทำให้เรารู้ทําที่ไม่เคยรู้ทําให้เราละทำที่ควรจะละทําให้เราเข้าถึงทำที่ควรจะเข้าถึงเนี่ยอาจารย์สุรวัตรเนี่ยแกสอนง่ายๆนะ แต่แกเป็นกัลยาณมิตรเอ้าหายกลัวยังเมื่อกี้กลัวน้อยกว่านี้รู้สึกไหมทีแรกกลัวเยอะแล้วก็กลัวน้อยตอนนี้ไม่กลัวเท่าไหร่แล้วรู้สึกไหมค่ะตอนนี้หัดดูของจริงอย่างนี้นะเห็นไหมใจจะกลัวห้ามมันไม่ได้ค่ะใจมันจะหายกลัวก็ไม่ได้สั่งมันหายของมันเองเนี่ยมันซึมซึมไปแล้วรู้สึกไหมเริ่มบังคับแล้ว อย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทํางานไปอย่างที่มันเป็นนะปล่อยมันเ <c oughs> มื่อกี้ปล่อยได้นิดนึงตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจหนีไปคิดให้รู้ว่าหนีไปคิดนะมันเป็นยังไง ร, รู้ไปเรื่อยจันตูหลงไปแล้วจูนหลงหลงหลงหลงห ล, ล, ล, ลงหมดแถวเลยหนะันไปดูอะไรไปหมดเลยนะรู้สึกตัวไว้เบอร์สิอย่าเพ่งมากนะอ้าบุนญรันรู้สึกว่า ชอบิปตึงแล้วก็ไปบ <ไป S 2> นะีตึงมันหาตึงแล้วก็บีบมันหลายๆครั้งเวลาที่ไปตึงหรือไปบีบเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตมันนิ่งนิ่งแต่ถ้าช่วงไหนที่จิตเขาผ่อนคลายเบาสบายเนี่ยก็จะเห็นเกิดดับได้บ่อยอะคะ่ะเห็นไหมถ้าไปตรึกไว้ก็ไม่เห็นเกิดดับถ้าปล่อยแล้วเห็นเกิดดับแต่ว่าปล่อยแล้วมันเสียงพอปล่อยสักพักหนึ่งมันตเตลิดเปิดเปิงห น, นีไปนะมันคล้ายๆมันต้องเสียงนะ เวลาภาวนาถ้ากลัวกลัวจะเสียอย่างเดียวแล้วก็ตรึงตลอดเนี่ยไม่เกิดปัญญาถ้าปล่อยแล้วเตลิดเปิดเปลืงไปเลยก็ไม่เกิดปัญญาแหมความพอดีมันอยู่ตรงที่ปล่อยแต่ไม่เตลิดเนี่ยพอดียากถ้าเราตรึงไว้ตลอดนะเคยเห็นสะพานไหมบ้านนอกมีสะพานไม้ไผ่นะมีไม้ไผ่หนึ่งลำไว้เดินมีไม้ไผ่อีกลำหนึงไว้จับเวลาจะตกสะพานอย่างไรจารย์ตูขี้กลัวยอย่างเงี้ย พอไปเดินถึงสะพานนี้จะจับไปแล้วมือไม่ปล่อยถ้ามือไม่ปล่อยขามันเดินไม่ได้เวลาเราไปตรึงอารมณ์ไว้เนี่ยเราจะปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้แล้วไม่พัฒนาต้องเสี่ยงเหมือนเราเดินข้ามสะพานไม้ไผ่นั่นแหละเดินไปสองเก้าแล้วมันจะหล่นแล้วคว้าราวสะพานไว้พอตั้งตัวทรงตัวได้เดินต่อไปอีกเก้าหนึ่งจะล้มอีกแล้วจะตกอีกแล้วก็คว้าใ ห, ใหม่เพราะฉนั้นเลยเวลาเราภาวนาต้องเดินอย่างนั้นแหละ บางครั้งก็ต้องกลับเข้ามาหาความสงบทำใจให้สบายก่อนให้ผ่อนคลายก่อนพอผ่อนคลายแล้วก็มาปล่อยให้มันทำงานดูกายดูใจไปพอดูกายดูใจสักพักหนึ่งมันจะฟุ้งซ่านพอมันจะฟุ้งซ่านมากจนดูไม่รู้เรื่องเนี่ยก็กลับมาทำความสงบใหม่มาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่แบบสบายๆห้ามอยู่แบบเคร่งเครียดนะมาขยับมืออย่างหลวงพ่อเจียนก็ได้ แนวหลวงพ่อเทียนหมอกว่วัดหลวงพ่อนะแมงวันเยอะขยับไปเถอะให้เร็วหน่อยก็ได้นะแมงวันอยู่ทางนี้นไม่ต้องขยับอย่างนี้ขยับอย่างนี้เลยก็ได้ให้แค่รู้รูปที่เคลื่อนไหวนะั้นห ล, ลวงพ่อนิยมนะคำปรานอย่างหลวงพ่อเทียนหมอกะกววัดหลวงพ่อ <c oughs> ขยับไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปเนี่ยอะไรก็ได้ก็เห็นทุกบ่อยอเจ้าค่ะแต่ว่าเห็นว่า หลังๆนี้ทุกจะอยู่ด้วยสั้นลงเจ้าค่ะดีถ้าสติเกิดนะ <c oughs> ความทุกข์ในใจจะมีไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะความทุกข์ในใจเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตเป็นอกุศลเฉะนั้นถ้าจิตมีความทุกข์ก็แสดงว่าจิตเป็นอกุศล <c oughs> ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เป็นอกุศลน้นอากุศลจะดับ <c oughs> จิตเป็นกุศลขึ้นมานะก็สบายมีความสุข แต่จิตที่มีความสุขเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้เวลาเผลอๆเพลินๆมีความสุขใช่ไหมแต่มันสุขแบบเด็กไร้เดียงสาสุขของการเจริญสติเจริญปัญญานะีมันเป็นความสุขแบบผู้ใหญ่มันอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จอนะประสบความสําเร็จในชีวิตพอใจในชีวิตของตัวเองอนะมันอิ่มมันเต็มอยู่อย่างนั้นสุขแบบเผลอๆไปนะหรือสุขของสมถะอะไรเนี่ยสุขอย่างเด็กๆ สุขอย่างเผลอไปก็เหมือนเด็กไปวิ่งเล่นสุกสนสุขแบบสมถะเหมือนเด็กนั่งแทะไอติมไม่ไปไหนสบายใจอยู่ที่เดียวมันสุขแบบเด็กสุขของวิปนะัสสนาสุขเพราะเข้าใจโลกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเพื่อส่งใหม่เป็นคนสุดท้ายนู่นเลยเสื้อเหลืองทรสการ์ครับใช้ได้แล้วรู้ไปเรื่อย อย่าคิดมากไอ้โรคเดิมมันรีเซตตัวเองครับกลับไปเริ่มต้นใหม่แบบใหม่จริงๆเลยฮะอาการมันหายไปไหนหมดเลยอะไรนะหลวงพ่อไม่ได้ยินยกใหม่เนี่ยคือมันมันเป็นเริ่มต้นใหม่จริงๆเลครับอาการที่มันเคยมีมันหายหมดเลยครับเออให้มันหายไปหมันฟองไม่เที่ยงนะนับหนึ่งไปเรื่อยๆครับก็ทุกวันนะเริ่มต้นด้วยการนับหนึ่งไว้นับหนึ่งก็คือรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจรู้เล่นๆไปเรื่อยๆ ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะมีสองสามสี่อะไรมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันที่ลักษณะที่ลักษณะไปเลยเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อบอกว่าถูกแล้วนี่มันคือช่วงไหนอะครับช่วงที่ผมก้มหน้าหรือว่าช่วงไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ก่อนหน้านั้นอีกนิด น, นึงตอนที่คุณนี่กําลังคุยคุณหลั่นกำลังพูดอยู่<ต>ช่วงนั้นมไม่ได้ตั้งใจฟังหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ตอนนั้นอะไม่ตั้งใจแต่ไม่เผลอแค่รู้เนือ้อรู้ตัวอยู่นั่นแหละเนี่ยเนยตรงเนี้ยจิตอยู่แถวนี้แหละ แต่มันยังไม่โล่งสุดๆนะครับมันยังปล่อยไม่เป็นยังไม่หมดแต่ว่าคล้ายๆแล้วเนี่ยจิตสงสัยอีกแล้วรู้สึกไหมสงสัยมันโรคเก่านะไห้รู้ทันมันติดกับดักเดิมๆอ่ครับเออของเดิมถึงเคยผ่านทเทศสอนหน้าว่ากิเลสของเก่ากิเลสของเก่าเคยหลอกมาแล้วมันก็หลอกอีกลวงพ่อครับ ถ้าเราภูมิไม่ถึงนี่ถึงเราได้มามันก็เป็นแค่การกดขม่มหรือแค่คิดไปเองใช่ไหมครับอะไรนะถ้าภูมิเราไม่ถึงเนี่ยสิ่งที่เราได้มานี่มันก็แค่กดขม่มหรือแค่คิดไปไม่ใช่ใชมัน ม, มันได้ชั่วคราวแล้วมันดับไปมันมันไม่ถาวรเรียกว่ามันไม่สมุดเฉดต้องเกิดอริยมรรคก่อนถึงจะสมุดเฉดจริงๆตอนนี้อย่างเวลากิเลสเกิดพอเรารู้ตัวปั๊บกิเลสดับไปหายไปเนี่ยหายชั่วครั้งชั่วคราวนะอย่างราคะ เดี๋ยวก็มาอีกแล้วเห็นเดี๋ยวก็หายไปรู้ก็หายเดี๋ยวก็มาอีกนะเป็นอย่างนั้นแหละจนเป็นพระนาคารู้สึกว่าราคามันยังครบอยู่รครับเพียงวันเบาบางเท่านั้นเองมันเบาบางเพราะอะไรไม่ใช่เบาบางเพราะเราเก่งแต่เบาบางเพราะสติมันเร็วขึ้นนะยังไม่เข้าใจครับแต่ค่อยๆดูไปแล้ว ค, ค่อยดูไปนะต้องอย่างนั้นนะค่อยๆดูไม่ใช่ค่อยๆคิดไปค่อยๆดูไปน ะ, ะส่งมานีา่คนนี้เป็นดาราใช่ไหม หลวงพ่อนั้นมาอยู่วัดอาทิตย์สองสามวันกลับไปจำหน้าไม่ได้อ <c oughs> ีกแล้วล <c oughs> ืมเก่งแก่แล้วขี้ลืมก็เวลาเจอหลวงพ่ออะไรตื่นเต้นทุกทีเลยค่ะแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกค่ะเหรออาการะคุณหมอช่วยดูนะหัวใจผิดปกติแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าทีนี้ก็เพ่งน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็พยายามปล่อยให้มันเพลอๆบ้างอะไรางเงี้ยค่ะ แต่พอเวลามันเกิดอารมณ์จะเกิดเร็วแล้วก็พยายามรู้ทันมันแต่ก็อยากจะให้มันดับอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูว่าเมื่อไหร่มันจะดับอะไรเงี้ยค่ะออให้รู้ไปค่ะรู้ว่าหลอรุ้นรู้ว่าอะไรนะคะหลวงพ่อหอรุ้นมันให้ดับแต่มันก็ไม่ดับอะค่ะพอรู้หอรุ้นมันก็ไม่ยอมดับใช่สิหลอรุ้นอะมันตัวกิเลสอะใช่ไหมมันก็คือตัวโทสะเมื่อไหร่มันจะดับสักที หรือเมื่อไรมันจะดีทักทีใช่หไหมเมื่อไรมันจะดีทักทีร้อนใจขึ้นมาโลภอยากได้อยากได้ก็ร้อนนะเราต้องทำยังไงถึงจะทำไม่ได้ <laughs> ให้รู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยเ ร, ยเราเรียนรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะทำของไม่เที่ยงให้เที่ยงเพื่อทำของเป็นทุกข์ให้เป็นสุข ก็ทำสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตาบังคับได้เพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะบังคับกายบังคับใจเอาไว้ในอานาจได้แต่เราจะภาวนาจนเราเห็นความจริงของกายของใจว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงแค่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์ตั้งหลายอย่างแล้วคะ่ะดีแล้วล่ะความจริงเปลี่ยนตลอดเวลาพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าทําจะรู้ถูกสภาวะบังคับ <นะ S 2> มากไ ป, ไป เกรงมากไปรู้เล่นๆรู้ให้ใคลายกว่านั้นนะอ่าเบอร์สองโอ้แต่แล้ววันนี้ตัวกันบ้านได้ช้ามากเลยเมื่อเช้านี้ที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องสังเกตวงว ง, วงรอบของอการภาวนานะค ะ, ะก็สังเกตมาว่าเป็นแบบนั้นนะคะแต่ก็ภาคเพียนตามรู้ตามดูไปใช่แล้วถ้าเราภาวนาโดยหวังว่าจะดีถาวรนั่นแหละมันจะล้มเหลวถาวรเจ้าค่ะ เพราะอะไรพระดีถาวรไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นดีก็ชั่วคราวนะชั่วก็ชั่วคราวก็ดูอยู่ในทั้งใจเราเป็นกลางต่อดีและชั่วต่อสุขและทุกข์เพราใจเป็นกลางใจไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจก็เป็นอิสร ะ, ะต่อสิ่งเล้าต่างๆานะสิ่งเร้าก็เกิดไปแต่ใจเป็นอิสระต่อสิ่งเล้าสบายาแล้วเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงอาจารย์สุรวัตร ตัวหนูเองก็มีจิตไประลึกถึงอาจารย์อมรานะคะว่าท่านเป็นผู้สอนธรรมะให้เข้าใจธรรมะแล้วก็ได้อย่างรู้รึกถึงธรรมะต่างๆออจิตใจนะก็เบิกบานขึ้นมาทันที เ, ออเลยเจ้าค่ะนึกถึงครูบาอาจารย์แต่คุณอมราน่าสงสารอยู่เรื่องคุณอมราใจดีลูกศิษย์เนี่ยมันชอบไปนั่งเนี้ยโอ๊ยเป็นโลวพ่อนะหน้ามือหลังมือเลยนะ ไม่เอานะเสียอาจารย์หมดอาจารย์เราออกดีอย่าเอาแต่เคลิมเคลิมแหมมีแต่ความสุขหลวงพ่อเนี้ยถ้าทนไม่ได้เลยอย่างบางคนมาหาหลวงพ่อนะมามองครั้งแรกไม่ว่านะพอครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ปล่อยไว้ละเสียเวลากินที่คนอื่นเลยแต่ก่อนไปหาหลวงปู่เทศไป ปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละแต่ไปทีไรนะจะเจอคนคนหนึ่งชอบไปมองท่านเนี่ยปีแล้วปีเล่าผมก็มองอยู่องนั้นนะเอะ๊หลวงปู่ไม่ว่าอะไรเขานะปล่อยตอนหลังเลยเข้าใจเขาได้แค่นั้นเขาได้แค่นั้นก็ได้ไปสวรรค์แค่นั้นเองท่านก็ให้แค่นั้นท่านใจดีใน ห, หลวงพ่อนะอยากจะช่วยดันดันดันไม่เอานะสวรรค์ไม่เอานิา่ง ไ, ไปกระจอกไป <c oughs> ไปนิพพานพยายามเชี่ยวเข็ญ อวันนี้มีกดน้อยๆอะค่ะใช่วันนี้ทําไมโมหะเยอะมันมีโมหะแต่เช้าว่ะเนี่ยโมหะทั้งแถวเลยอะนะต้องตรวจเป็นแถวๆแล้วเยอะคนไม่ทันมีโมหะเป็นแถวๆเลยแล้วกดเอาไว้ยังยังมีกดเอาไว้อยู่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ากดน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยแต่นิ่งนะแต่มันนิ่งไปะค่ะนิ่งไปนิ่งกว่าเมื่อวานนีก กดกดเบากว่าเมื่อวานนะแต่นิ่งกว่าเมื่อวานแต่นิ่งเอ่กดเบากว่าเมื่อวานแต่นิ่งกว่าเมื่อวานมันเหมือนจะไปแช่เอาไว้อะค่ะแล้วก็เป็นจิตไม่มีแรงนะคะอย่างเงี้ยถือว่าจิตจิตมันไปติดตัวนี้เฉยๆอยู่ไม่ถึงขนาดไม่มีแรงจิตมีแรงมีแรงแต่ไปติดอยู่จิตมีแรงแต่ไม่ยอมทํางานนี้ทำยังไงคะต้องต้องออกออกมากระทบโลกเยอะๆหน่อยนะร้องเพลงสักเพลงลุกขึ้นลําวงเอ เดี๋ยวนี้เขาไม่ลําบงแล้วก็เส้นอะไรกันเดี๋ยวนี้ยุคนี้จะได้จําไวพ้พุยกับพวกวัยรุ่ น, ว, นวันก่อนมันฟุ้งซ่านเยอะค่ะก็เลยไปตึงเอาไว้พอตึงแล้วมันก็มาตกล็อกตรงเนี้ยไม่เอาอเลิกซะแล้วจําไว้ที่หลังอย่าทำอย่างนั้นถ้าฟุ้งซ่านะทำสมถะสมถะไม่ใช่การตรึงสมถะคือการรู้อารมณ์น้อมใจไปรู้อารมณ์อันเดียวสบายๆต่อเนื่องนะไม่ใช่ตรึงนะ พวกเราหลายคนเข้าใจว่าสมาธิคือการตรึงตรึงยังใช้ไม่ได้จิตใจไม่มีความสุขถ้าจิตใจไม่มีความสุขฌานจะไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะทําฌานไม่เข้าทำฌานไม่เข้าตอนเนี้ยช่วงนี้ไม่เข้าเลยค่ะเพราะว่าปล่อยๆมันมันเกินจากหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งถอนใจให้สุดแรงเลยไม่แรงพอไม่แรงหรอรู้สึกไหมตอนนี้ตื่นน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วค่ะเพราะมัวแต่หายใจลืมตรึงไม่ใช่อะไรหรอก เนี่ยเห็นไหมมันคลายออกแล้วง่ายจะตายไปเราไปสร้างอะไรขึ้นมาเองนะแล้วเราก็ไปเกาะเอาไว้แล้วเราก็ไม่ยอมปล่อยเราก็บอกโอ้เมื่อไหร่มันจะปล่อยไม่จับไว้เมื่อไหร่มันจะหลุดสักทีนะก็ปล่อยมันก็หลุดล่ะยิ่งไปดูมันยิ่งติดเลยค่ะใช่ใช่นั่นแหละเปลี่ยนอารมณ์ซะถ้ามันติดนานนะเปลี่ยนอารมณ์ไปเนี่ยค่อยอยังชั่วแล้วเห็นไหมใจค่อยเบิกบานะแล้วตอนนี้ไปทาําฌานก็เข้าแล้วอะ ว้ยเหนื่อยวันวันนึงไม่ยอมวันนี้ว่า น, น้อยแล้วนะแต่หินเรลือเกินแต่ละคนอ้าวคือมันมีมัวมั ว, มวแล้วก็จ้าจ้าหมอหมอก็มีโมหันนั่นแหละเห็นไหมทะลุไปปนกับจ้าจ้าตามแสงแดดจ้าจ้าจ้าจเนี้ยนะกิเลสบางตัวจ้านะออันนี้ก็กิเลสใช่ไหมจ้ากิเลสบางตัวมันก็สว่างได้ ก็สภาพโดยรวมที่ห่างๆวัดไปเนี่ยมันรู้สึกว่าใจมันดิ้นน้อยลงตอนแรกก็รู้สึกว่ามันเข้าใกล้ความเป็นกลางแต่ก็เมื่อกี้เนี่ยที่ตอนไปทานข้าตอนนี้ดีกว่าแต่กี้แล้วรู้สึกไหม เ, ออเห็นไหมมีกิจกรรมทําเห็นไหมใจเคลื่อนไหวโมหะก็อ่อนลงมันเหมือนน้านะน้ํานิ่งกับ น, น้ำก็เน่าเราให้น้ํามันเคลื่อนไหวไว้เะะั้นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทํางานไปเรื่อยๆ กระทบอารมณ์ไปแล้วก็คอยตามรู้ใจที่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงไปอ้าว่าไปหนูพ่อแย่งตอบอยังไม่ทันถามเอ้าก็คือสงสัยว่ามันเข้ากลางจริงหรือว่ามันไปหลบหนีกลางกลางแล้วแล้วมีข้อสังเกตยังไงเนี่ยใจใจที่มันเป็นกลางแนะมันจะโปร่งจะเบ า, ะเบาะจะสบายใจไม่ได้ไปติดไปคล้องอะไร <c oughs> ถ้าเนี่ยเริ่มอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วเริ่มเข้าไปก่อยอีกแล้ว ใจที่มันไปเกาะอะไรนิ่งๆไว้นะมันไม่ปลอดโปร่งจริงจะทื่อๆอยู่นิดหนึ่ ง, งกอย่างตรงนี้ไม่ใช่ละตะกี้แวบสะกี้ไปเกาะไว้ไปข่มไว้หนักนิดหนึ่งน่าแหละมีความหนักขึ้นมา <Okay. S 1> ถ้าเมื่อไรผิดกว่าปกตินะจิตที่เป็นปกติเนี่ยมันประพัดสอนมันโปร่งมันโลง่งมันเบาโดยตัวของมันเอง ถ้าหนักขึ้นมานิดหนึ่งแข็งขึ้นมานิดหนึ่งมัวไปหน่อยหนึ่งจ้าไปนิดนึงไม่ใช่แล้วแล้วถ้าหลบเหรอเจ้าค ะ, ะถ้าถ้ามันหลบการรับรู้มันจะต่างยังไงกับการเป็นกลางเจ้าคะหนีไปเหรอใจมันไม่ชอบอสิให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบมันก็ไม่หนีหรรู้ทันใจที่ไม่ชอบสภาวะอนันต์นั้ น, นก็หนีหนีแล้วบางทีก็หนีไปอยู่การ อ, อื่น บางทีหนีแล้วไปสร้างสภาวะนิ่งๆอันหนึงขึ้นมาแล้วก็ไปนอนอยู่ในสภาวะ น, นั้นบางคนไปสร้างสุญญาตาขึ้นมาไปอยู่ในสุญญาตาสุญญาตาปลอมนะสุญญาตาจริงไม่ได้สร้างขึ้นมาอย่างนั้นใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเดี๋ยวนี้กับตะกี้ตอนไหนมัวมากกว่ากันความมัวตอนเริ่มจับไมยมากกว่าตอนนี้นิดนึงอะไรนะ ออตอนจับไมาที่แรกมากกว่าเมืม่อขณะเมื่อกี้นิดนึงองตอนนี้มันก็มีมีหนักๆบ้าง อ, อ่นะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปด้วยไม่ใช่เพื่อให้ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแก้ไขใจถึงๆไว้ดูลงไปเลยตัวที่มัวก็ไม่ใช่เราตัวที่หนักก็ไม่ใช่เราตัวที่ไปรู้ก็ไม่ใช่เราไม่มีเราสักตัวงนะดูไปเรื่อยๆไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยห่างวัดไปพออาการหนักแล้วค่อยมาที จูนรู้สึกไหมสบายกว่าตะกี้แต่ยังมีมัวอยู่ด้วยไหมโน่นโน่นถล้ลงไปดูเบอร์สิเอ็นะใจกระโจนลงไปแล้วคุณตรงไปคื อ, คอไปเห็นสิ่งที่รู้มันเป็นภาระแล้วก็ดันไปพยายามจะละมันนะฮะไม่ไม่เป็นกลางลช่วงสองรามนี้จะมีความรู้สึกมันมีบางอย่างตึงๆอยู่ในใจนะพยายามบังคับมันนะ จริงๆแล้วขัน5้าเป็นภาระนะอายตนา6กก็เป็นภาระตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ล้วนแต่เป็นภาระทั้งหมดเลยขันนี้ก็เป็นภาระเราเฝ้ารู้ลงไปเราก็จะเห็นเลยว่าการที่อยู่กับมันนี่อยู่กับทุกแท้ๆเลยไม่ใช่อยู่กับมันด้วยความสุขนะดูลงไปอยู่กับขันนี่อยู่กับทุกล้วนๆเลยเฝ้ารู้ลงไปจนใจมันวางจะวางได้มันเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางไม่วาง เรู้สึกไหมใจตอนนี้ไม่เหมือนตอนก่อนจับใหม่แล้วอตอนนี้กําลังจะปรุงแต่งค่อยคําดูออกไหมเจ้าค่ะออไม่แต่งนะจิตเป็นยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องแต่งมันเนี่ยเ น, น, น, น, นเห็นไหมจะเข้าไปตรึกรู้ไหมจะเข้าไปตรึกให้รู้ทันว่าจิตจะไปตรึกแล้ว<อ>ให้รู้ลงปัจจุบันไปเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมแต่ตอนนี้แอบไปคิดเอง ตะเกียจจงใจจะไปคิดไม่เหมือนกันสองสภาวะาแยกออกใช่มเพราะฉะนั้นจิตไปคิดเองไม่เป็นไรแต่อย่าไปช่วยมันคิดเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยแกล้งทำขึ้นมาแวบหนึ่งนนรู้สึกไหมจิตสว่างกว่าตะกี้แล้วเพราะงั้นอย่าไปปรุงแต่งให้รู้ทันลืมกายลืมใจละรู้สึกไหมไม่ค่อยเห็นนะเมื่อกี้ ลืมกาลืมใจนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะแต่อันอื่นๆที่พูดอะไรนะ่าไม่ได้ยินไม่ไม่เห็นนะคะอะไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ยแข็งกว่าตะกีะ้แล้วรู้สึกไหมปล่อยซิปล่อยอะให้คุณตรงใหม่ก็แล้วกันอ้าวเป็นไงคุณตรงว่าไปมันเหมือนกับเราพอมีกิริยาเกิดขึ้นปฏิกิริยามันก็จะตามมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะไม่ตั้งใจนะไม่ห้ามปฏิกิริยานั้นด้วยตัวนี้สําคัญนะอย่าไปห้ามปฏิกิริยามันเลยกลายไปควานเข้าไปดูเอ๊ะมันคืออะไร กวนรู้ว่ากวานเลยกวานก็รู้ว่ากวานรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ใช่ละตรงนี้ไปกดไปข่มอีกแล้วอ่ะนั้นมาคุณต้องอีกทีหลวงพ่อพยายามโยกเพว่าให้จิตมันหลุดบ้าง น, นะแต่ไ <c oughs> ม่ยอมหลุดดูออกไหมมันเข้าไปก่ออีกแล้วเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วมันแบบพูดไม่ออกอะคะ ทำอะไรไม่ถูกมันจะเพ่งแต่จริงๆแล้วช่วงหลายๆวันมันเออสองวันมาเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันก็เพ่งน้อยลงพอดีขึ้นช่วงสองวันนี้นะดีขึ้นทั้งคู่เลยดีนี่คุณตรงสองวันเนี้ยอยากรู้ให้ชัดมากไปเลยเข้าไปจ้องเราไปกวนเราไปจ้องไม่ต้องรู้ชัดก็ได้รู้ไม่ชัดรู้ว่ารู้ไม่ชัดอยากรู้ให้ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดอ้าวว่าไงนวสการครับวันนี้รู้สึกจิตใจ เรสบายกว่าวันก่อนที่หลวงพ่อทักว่าเพ่งไปดีที่รู้ทันรู้สึกเผลอนี่ ร, ร, รู้รู้บ่อยขึ้นมันจะเป็นแวบบ๊แบแบป๊บใช่ไหมครับหลวงพอ่อมันจะมันจะบางๆางะครับแล้วมันก็จะจะเป็นจะเผลอเข้าไปใหม่อะดีแล้วนะค่อยภาวนาเป็นแล้วขออนุญาตกลับนมัสการค่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่มากราบหลวงพอนะ่อนะคะเมื่อคืนนอนคิดอยู่นานมากไม่ทราบว่าอยากจะถามคําถามหลวงพอ่อไม่ทราบว่าจะเหมาะสมหรือเปล่า เพราะว่าคือเป็นคนที่แปลกๆปกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะจนกระทั่งเมื่อปี2อ3 0เกิดความรู้สึกว่าแปลกที่สุดในชีวิตที่ว่าอยากจะเข้าวัดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งไปพบวัดชื่อวัดบึงเขาหลวงซึ่งเป็นสายของหลวงพ่อชาก็ปฏิบัติมายี่สิบกว่าปีแล้วแต่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองติดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แปลกๆเกิดขึ้นแต่ไม่กล้าถามใครเมื่อคือนก็ ตั้งจิตคิดว่ายัางไงก็คงต้องขอกราบนมัส ก, การถามหลวงพ่อคือบางครั้งจะรู้สึกว่ามองหน้าพระพุทธรูปแต่ไม่ใช่ทุกองคออ์จะสามารถสื่อกับท่านได้ก็เลยไม่ทราบว่าตัวเองเพี้ยนไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีแสงที่ปรากฏขึ้นมาเป็นแสงสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้า ง, งนะเป็นแสงที่เกิดขึ้นในตัวตัวเอง<แ>ในขณะที่นั่ง<แ>ก็ไม่ทราบอีกว่าคืออะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ในขณะที่จิตเคลิ้ม ก็มีเสียงมากระซิบว่ามาถูกทางแล้วและจนกระทั่งล่าสุดเมื่อต้นปีก็ในขณะที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดบึงเขาหลวงกวาดลานวัดอยู่ทั้งๆ ท, ที่ตาเนื้อลืมอยู่ก็เห็นเป็นภาพว่าเป็นคุณแม่กําลังจะเสียชีวิตแล้วก็เราเป็นคนที่จูงจิตท่านไปเป็นจุดสุดท้ายก็เลยอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวนี่คืออะไรแล้วจะต้องปฏิบัติไป ทางไหนดูเหมือนว่าครบรอบ20ปีละตัวเองตอนนี้เหมือนกับกำลังตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปทางไหนต่ อ, อเราหลงทางหรือไม่ ด, ดีดี<ช>ที่ถามนะดีแล้วที่ถามอาการทั้งปวงที่ปรากฏเนี่ยเป็นผลของสมถะกรรมฐานการที่เราเห็นพระพุทธรูปเรารู้สึกสัมผัสได้สื่อได้เราเห็นแสงเห็นสีอะไรเกิดขึ้นภายในตัวเราในจิตในใจนะหรือเราได้ทิพจักสุเห็นผีสางนางไม้อะไรเนี่ย เป็นอาการของสมรรถะนะต่อไปนี้ให้ดูกิเลสตัวเองไว้เช่นพอเรารู้สึกเราสื่อกับพระพุทธเจ้าได้แล้วเราดีใจรู้ว่าดีใจหรือเราเกิดปิติรู้ว่ามีปิติเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขนะเราเห็นคุณแม่เราก็ปลื้มใจว่าเราช่วยได้หรือว่าเห็นแล้วเป็นห่วงเนี่ยให้รู้ทันที่ใจของเราอย่างนี้เห็นแสงเห็นสีขึ้นมาแล้วเราก็เกิดสงสัยว่ามันอะไรนะรู้ว่าสงสัย ต่อไปนี้แทนที่จะเรียนรู้แค่ทําสมถะไปเฉยๆพุโทโธหรือหายใจไปเรื่อยๆนะให้คอยรู้กิเลสของเราไว้ให้ดูกิเลสเอาไว้มันจะเป็นการเจริญปัญญาถ้าเราไม่เจริญปัญญาเราทําแต่ความสงบนะมันจะเกิดนิมิต น, นานาชนิดอย่างนี้ขึ้นมานิมิตที่ตาก็มีนิมิตที่หูก็มีได้ยินเสียงนิมิตกลิ่นก็มีเคยได้กลิ่นไหมออนิมิตเต็มรถยังมีเลยนะ กินข้าวเนี้ยโอ้ยอร่อยพิเศษเลยแล้วบอกว่าฉันบารมีเยอะเทวดาเอาอาหารทิพย์มาใส่นะอย่าว่าแต่อย่างก้อนอย่างนี้ น, ะนิมิตทางกายยังมีเลยนะงพ่อเคยนะตอนนั้นเป็นนักศึกษาไปบวชวัดชนประธานนะตอนฤดูร้อนฤดูร้อนนะบวช15วันอย่างเงี้ยแต่ขยันภาวนาชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เจ็ดขวบไม่เลิกหรอ ก, อกวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ตอนบ่ายนะนั่งนานะเมื่อย เมื่อนหรนะขาเป็นเด็บหมดแล้วก็เหยียดขาออกไปนั่งทิงฝาไว้แม้เห็นคนหนึ่งนะเดินเข้ามามานวดให้เรามองลงไปนี่นะเนื้อเราบุ๋มลงไปเลยเป็นรอยนิ้วเลยนะแม้กดไว้5ี่้าวินาทีปล่อยปุ๊บแหมเลือดวิ่งถึงปลายขาเลยเนี่ยแสดงว่าฝีมือนวดเข้าขั้นนะกดจุดถูกด้วยนะแล้วจังหวะน้ำหนักถูกเวลาถูกหมนิมิตแบบ สัมผัสทางกายยังมีเลยบรรดานิมิต ท, ทั้งหลายเนี่ยรู้ไว้เล่นๆไม่เอาเป็นสาระอะไรนะสาระสำคัญอยู่ที่ว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันไหมนะกิเลสเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเรานะในชีวิตเราเพราะงั้นเราภาวนาไปเห็นแสงเห็นสีขึ้นมาเกิดสงสัยว่ามันคืออะไรนะรู้ว่าสงสัยนะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาให้รู้ว่าอิ่ม อ, อิ่มใจ เห็นคุณแม่แล้วรู้สึกเป็นห่วงรู้ว่าเป็นห่วงเนี่ยต่อไปนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใดๆก็ตามจิตเกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดกุศลเกิดอกุศลใดๆนะให้คอยตามรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆหลวงพ่อทำสมถะอยู่22ปีสูสีกับคุณแหล ะ, ะทำอนาปนาสติ22ปีนะตั้งแต่เจขวบไอ้ที่คุณว่ามาก็เคยเล่นมาแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลย จนวันหนึ่งไปพบหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่นั้นน้ำอาหารดูเนี่ยจิตใจที่เคยทรงนิ่งๆอยู่อย่างนี้20ปีไม่มีพัฒนาการเนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยในเวลาสั้นเลยเพราะฉะนั้นให้เจริญสติเจริญปัญญาไม่ใช่เจริญแต่ความสงบแล้วเกิดนิมิต น, นั้นดีที่คุณถามแล้วต่อยอดตรงนี้แหละหลวงพ่อเคยงงเลยเราจะต่อยอดอยังไงเราทาสมถะ22ปีนะสมาธิชนิดไหนชนิดไหนก็เล่น ปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทุกก็ทุกอย่างเก่ากิเลสก็ยังอย่างเก่าทำอะไรไม่ได้สิอย่างพอหันมาดูจิตดูใจนี่อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเห็นแสงขึ้นมาสงสัยเห็นไหมใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยเห็นพระพุทธเจ้าดีใจรู้ว่าดีใจนะต่อไปนี้ดูใจไปเรื่อยๆแล้วกำลังของสมาธิที่เราฝึกมาดีสมาธิที่คุณฝึกมาใช้ได้ละ กำลังของสมาธิมันจะช่วยให้การดูจิตดูใจของเราเนี่ง่ายดูแล้วดูอย่างเป็นกลางไปเรื่อยๆเพราะว่าใจของคุณมันมีตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันจะตั้งเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากอยู่แล้วะงั้นต่อไปนี้แทนจะเป็นผู้รู้แล้วดูสิ่งโนนสิ่งนี้นะเป็นผู้รู้แล้วดูใจตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมเออเนี้ยให้รู้ทันอย่างเนี้ยจิตมีปิติขึ้นมาก็รู้ว่ามีปิติรู้ลงไปเรื่อยๆ เห็นไหมปีติจะเกิดห้ามมันไม่ได้ปีติลดลงแล้วรู้สึกไหมอันเนี้ยดูอย่างเนี้ยดูของความเปลี่ยนแปลงในจิตในใจไปเรื่อยๆกาลังของสมาธิมันจะช่วยเราจะทำให้การเจริญปัญญาเนียมันราบรื่นใจลอยไปแล้วรู้ไหมหนีไปแล้วไปอยู่วัดอะไรนะอะไรหลวงนะวัดเบิ่งเขาหลวงเป็นสาขาที่สองของหลวงพ่อชาค่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ ะ, คะแถวนี้ก็มีนะมีวัด บุญญาวาสของท่านจันทนค่ะนะตอนชอบสโหลวงพ่าชาเราไปศึกษากับจันทนเนี่ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองจะถูกกับป่าพอทุกครั้งที่เข้าป่าปุ๊บจะรู้สึกว่าเป็นที่ที่ตัวเองเคยอยู่มานานออแล้วพอตอนนี้เหมือนกับครบรอบ20ปีที่ปฏิบัติมาจิตข้างในก็บอกตัวเองว่าถึงถึงถึงกำหนดที่เราจะ กำลังตามหาอะไรสักอย่างซึ่งตัวเองก็บอกไม่ได้ว่าตามหาอะไรเหมือนกับกําลังจะเปลี่ยนว่าเออเราถึงขั้นสมาธิก็ไม่ทราบว่าขั้นไหนนะนะคะรู้แต่ว่าตัวเองเป็นสมาธิที่ลึกแล้วจะไปตรงไหนต่อพอครบรอบเขาปุ๊บจิตข้างในเขามาเรียกแล้วว่าให้มาแต่ก็ตอบตเองว่าแล้วไปที่ไหนไปอย่างไรตอนนี้เหมือนกําลังกําลังสวงหาคําตอบอยู่นะคะเจ้งั้นเลิกหาซะนะแล้วรู้ลงมาที่ใจตัวเองเนี้หลักของการภาวนานะ ไม่มีอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองหลักของมันในตอนนี้ไม่ใช่แล้วรู้สึกไหมใจทื่อๆไปและปล่อยซะอย่าไปทื่อๆอย่างนั้นทื่อๆอย่างนั้นเป็นผลจากการติดสมถะอย่าไปข่มใจปล่อยมันคือปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วตามดูรู้อย่างนั้นหเปล่าค่ะใช่แค่นั้นเองนะแล้วมันจะได้ผลรวดเร็ว หรงพ่อนะตั้งแต่7ขวบไม่มีใครบังคับให้นั่งสมาธินั่งทุกวันเลยอยู่โรงเรียนวิ่งเล่นบ้างนะพอมีเวลานิดหน่อยเหนื่อยๆแล้วก็มานั่งหายใจในใจมันรู้สึกว่าจะต้องปฏิบัติทุกวันทุกวันเราปฏิบัติโดยที่ไม่รู้เลยว่าปฏิบัติเพื่ออะไรรู้แต่ว่าต้องทำเนะี่ยถ้าอินทรีย์มันกล้าแล้วนะมันจะเตือนตัวเองให้ภาวนาแต่ของคุณมันสแสวงหาวิปัสสนาช้าไปหน่อยนะตั้ง20ปี ไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อที่ใช้เวลา22ปีเนี่ยพรอมหาครูบาอาจารย์ไม่ได้สมัยก่อนครูบาอาจารย์อยู่อีสานมีท่านพ่อหลีมาอยู่แถวอะไรนะเรื่ออะไรบางปูแถวสมุทรปราการวาาัดโศนั้นพ่อพาไปวัดอโศนะไปเรียนสมถะมาได้อยู่มาสองปีงท่านก็ไม่อยู่ละเอาไม่มีอาจารย์สอนต่อ มันก็เลยทําแต่สมถะทรงอยู่อย่างนั้นนะเลี้ยงตัวเองมาเรื่อยๆใจมันก็รู้สึกตลอดเวลานะว่ายังต้องหาอะไรงานของเรายังไม่สิ้นสุดนะมันต้องหาอะไรยังมีธุระที่จะต้องทําอีกแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนวันหนึ่งนะไปอ่านหนังสือเป็นหนังสือพระเครื่องนะทําเนียบเหรียญหลวงปู่แหวนนี่ของวัดสัมพันธ์ตะวงพิมพ นะมีเหรียญหลวงปู่แหวนกับเข้าอยู่อันเดียวนะอุตส่าห์ไปซื้อทําเรียบรุ่นมาดูเท่านั้น <c oughs> แอบหัวล้อไม่เกรงใจเลยมาดูๆนะตอนท้ายอ่ะมันเหลือเศษกระดาษเหลืออยู่นิดนึงเขียนธรรมะของหลวงปู่ ด, ดูลไว้จิตส่งออกนอกเป็นสมุ ท, ทยัยผลที่จิตส่งออกนอกนะเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ อันหธรรมตาจิตย่อมส่งออกนอกแกมีอีกบทหนึ่งนะพวกเราจําไม่ได้บทเดียวหนึ่งธรรมตาจิตส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อมบัณฑ์ไหวเนี่ยเป็นสมุทยัยมีผลเป็นทุกข์ถ้าส่งออกนอกแล้วไม่ก็เพิ่อมบัณฑ์ไหวนะก็เป็นนิโรธนะจิตของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยส่งออกนอกได้จิตของพระอริยะเจ้าส่งออกนอกก็ได้แต่ไม่ก็เพิ่อมบัณฑไหวมีสันติสุขเป็น ม, มิหารธรรมอยู่ภายในใคล้ายๆอย่างนี้นะ อ่านมา20า่สิบปี30มปีจําไม่ได้ละเนี่ยพอได้ยินชื่อได้ยินธรรมะอย่างนี้นะโหมันเล้าใจไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเคยได้ยินแต่ให้พุโทโธพิพจะะารณนกายแล้วใจมันไม่เอามันรู้สึกจุดชูดรู้สึกมันง่ายเกินไปไม่มันพอได้ยินธรรมะอะไรที่พิสดารอย่างนี้นะมันเร้าใจไปดูชื่อพระรัตนกรวิสุทธิ์วัด บ, บูรพามาหลังไปถามคนว่ารู้จักไหมคนเขาบอกเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่น แล้วโอ้โหอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเหรอหลวงปู่ฟั่นยังไม่อยู่แล้วเลย <laughs> อาจารย์จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยก็เลดหยุดอยู่ปีกว่าๆนะวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าท่านยังอยู่นะอยู่สุรินนี่เอง <c oughs> โอนั่งรถไฟไปหานั่งรถไฟไปถึงสุรินนะ <c oughs> เที่ยวถามหาวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จักนะเดินถามไปเรื่อยๆนะอยู่อำเภอไหนก็ไม่รู้ อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รแต่ว่าอยู่สุรินไปเจอตํารวจนะอยู่สีแยกถามว่ารู้จักวัดบูรพารามไหมบอกเนี่ยอยู่หลังตึกเนี่ยบออ้าวถามใครๆก็ไม่มีใครรู้จักเลยวัดนี้บอกคนสุรินเขาเรียกวัดบูนคืนว่าถามวัดบูรพารามไม่รู้จักหรอกเข้าไปหาท่านไปเรียนท่านสอนให้ดูจิตแต่ก่อนจะสอนนะหลับตาไปชั่วโมงหนึ่งหลับตาแล้วก็นึกว่าท่านหลับไปแล้ว ตอนนั้นท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จ้าฉันข้าวเสร็จ้็เข้าไปกราบท่า น, น, น้ท่านก็นั่งหลับตาแล้วตาย ห, หลวงปู่พงฉันข้าวหลับไปแล้วลืมตาขึ้นมานะสอนนิดเดียวอ่านหนังสือมามากแล้วท่านสอนอย่างนี้การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสารท่า น, นเอง ตั้งแต่วันที่ท่านสอนนะบอกให้อ่านจิตตนเองไม่มีวันไหนที่หลวงพ่อไม่อ่านยกเว้นเวลานอนยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือคือเวลาอ่านจิตตัวเองกับเวลาหลงหลงบ้างอ่านบ้างหลงบ้างอ่านบ้างครึ่งครึ่งก็ยังดีนะไม่ต้องอ่านตลอดอ่านตลอดเครียดอ่านตลอดจะกลายเป็นการเพ่งนะเพราะฉะนั้นรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไปองตอนนี้ใจเผลอไปแล้วรู้สึกห เนื้อรู้ไปให้มันเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไม่ใช่กลัวเผลอนะให้มันเผลอเราก็รู้ไปเรื่อยๆแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเนื้อรู้ลงไปอย่างนี้ยให้มันคิดไปก่อนแล้วรู้ว่าคิดมันเป็นยังไงแล้วรู้ว่าเป็นอย่างไงนะฝึกอย่างนี้นะออลูกศิษย์หลวงปู่ดูลแต่ละคนแต่ละคนนะแปลกๆนะท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีหลักสูตรสําเร็จแล้วไม่มีบางคนท่านให้ดูกายก็มีนะ คนให้ดูผมเส้นเดียวก็มีคนให้ดูกระดูกเนี่ยท่านพวกนั้นต้องดูผมดูกระดูกดูอะไรไปก่อนแล้วเกิดสมถะเกิดสมถะแล้วย้อนเข้ามาดูกายดูใจแล้วก็ตัดนั่นใจลอยไปแล้วช่วงนีออ้อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาจะซึมซึมอะคะ่ะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังซึมนะค่ะแต่ว่ายังนับว่าดีกว่าตอนเชา้าแล้วคือเหมือนกับจะเห็นกิเลส ท, ทั้งวัน แล้วก็คือเห็นว่าเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นแล้วคือเหมือนกับคอยจะไปจับมันแล้วคอยที่จะเหมือนกับกำจัดมัน<อ>ดีแล้วพอมันไม่ออกมันก็เศร้าอืดีแล้วดีที่รู้นะใช้ได้อ่ะโบ ว, วันนี้ ก, กับเมื่อวานต่างกันยังไงเอวันนี้รู้สึกว่าตอนก่อนหน้านี้เบิกบานค่ะแล้วก็แต่พอไม่มนใกล้ๆรู้สึกประคองแล้วก็อ<ๆ>ประคองนะเมื่อวานไม่ประคอง วันนี้ประคองนะให้รู้ลงไปเลยมีอะไรเปล่าไม่มีค่ะถึงมีก็ต้องดูเอาไม่บอกหรอกอาคุณหมอเชิญมีอะไรคุยเชิญมีอะไรเล่าสู่กันฟังในขอเสริมครับคือในทางพุทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรารู้ซื่อๆเนี่ยก็บอกใช้พลังงานแค่จุดห้าหรือหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเรียก Perceptual Processing สมองส่วนหนึ่งที่มันรู้โดยตรงฮะซื่อๆแต่เวลาเราคิดสมมติบัญญัติเนี่ยเรียกกันเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าใจลอยมันใช้พลังงานไปแปดสิบอร์เซ็นตมันดูดพลังงานไปสูญเสียไปมากมายมีหน้าหลวงพ่อเซฟพลังงานหรือมีพลังสำมรองเยอะเขาผลานน้อ ย, นน อ, ยอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องเกี่ยวกับ หรวงปูณฑ์ท่านบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราคือสิ่งสิ่งนั้นแนวตราที่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรสูงทั้ากขานั้นนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือสุญญตาณนั่นเองแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วไม่เคยพล่องไม่เคยแหว่งนะจิตที่สัมผัสที่รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวรวดเรียว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งนี้รู้มหาสุญญตาที่เต็มเปี่ยมเต็มบริบูรณ์แต่จิตหนึ่งนี้ก็เต็มบริบูรณ์นะ จิตหนึ่งก็ใหญ่เต็มโลกเลยไม่มีขอบไม่มีเขตงั้นจิตหนึ่งกับมหาสุญทะตาเนี่ยเสมอภาคกันไม่เคยหายไปไหนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเราจะเห็นสภาวะนี้ได้ต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนนะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เห็นเราจะได้แค่น้อมนึกเอาอย่างถ้ายังภาวนาอยู่ในขั้นที่ที่เราทําอยู่นะที่คุณหมอเป็นอยู่เนี่ยสิ่งตรงหน้าเนี้เรายังน้อมนึกเอาเวลาอย่างบางทีเราอ่านหนังสือเซนเคยรู้สึกไหม มันเกิดความรู้สึกแปลกๆรู้สึกโลกนี้ว่างๆแต่ว่างอย่างนี้ยังมีเข้ามีออกอยู่นะยังไม่ใช่ของแท้พอวันหนึ่งที่เราภาวนาแต่ก่อนฟังหลวงปู่มไม่เข้าใจหรอกฟังไปอย่างนั้นแหละด้วยความเคารพด้วยความศรัทธานะพูดเรื่องมหาสุญญตาเราก็คิดว่าใจที่โล่งๆนี้เป็นมหาสุญญตาไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนะพูดถึงจิตหนึ่งแล้วก็คิดว่าต้องเป็นจิตทรงอั ป, ปนาอยู่ไม่ใช่เลยนะจิตหนึ่งคือจิตที่มันไม่มีสองมันไม่มีคู่ มันเป็นหนึ่งเดียวรวดเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นเองไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงนี่พอเราภาวนารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะใจค่อยวางใจเดิมมันละความเผินผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้โสดาต่อมามันรู้กายแจ่มแจ้งว่าเป็นทุกข์ล้วนๆมันปล่อยวางกายนะได้ผ้าหนักขา ที่ปล่อยวางกายแล้วได้พระนากขาเพราะว่ามันปล่อยวางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าไปเมื่อจิตไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าเนี่ยเลยไม่ยินดียินร้ายกามและปฏิฆาไม่เกิดอัตโนมัติเลยนะถ้ายัางยึดกายอยู่ความปฏิฆาจะเกิดอีกคือยึดในตาหูจมูกลิ้นกายมันจะยึดในรูปเสียงกลินล่นรสผลสะพ้านี่พอวางกายแล้วการปฏิบัตินี่มันจะบีบวงเข้าหาจิตมันจะอยู่ที่จิตผู้รู้อันเดียวเลยอันนี้ จะทรงอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ต้องรักษานะแต่ว่าหลายๆวันก็หมองๆได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าจะไม่ฟุ้งไปอย่างที่เคยเป็นแล้แค่หมองๆ ม, มัวๆหรือว่าฟุ้งนิดๆหน่อยๆแฉลบแป๊บๆเหมือนไฟสปาร์กเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจนเราจนปัญญาแล้วเราไม่รู้ว่าทํำยังไงที่จะหลุดพ้นตรงนี้ได้ถ้าเรายังไม่จนปัญญานะจะดิ้นรนเพื่อหาความหลุดพ้นไม่เลิกหรอก ใจมีธรรมชาติที่สู้สู้ตายสู้ไม่เลิกนะรู้สึกไหมสู้ตายภาวนาไปภาวนาไปจิตวางปับโลกกะาะแนี่ว่างหมดเลยนะรู้สึกโอ้ใช่แล้วใช่แล้วนิพพานแน่ๆแล้วตรงนี้นะอยู่ไปหลายวันนะมัวมั ว, มวได้อีกหรือด้านได้อีกหน่อยหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่อีกแล้วฮะที่ภาวนาอยู่ตะกี้นี้ที่ผ่านมาหลายวันนี้ทําผิดอีกแล้ว กลับมานับหนึ่งใหม่นะมารู้กายมารู้ใจถ้าฟุ้งซ่านทําสมถะเข้ามาอีกแล้วรู้กายรู้ใจลงไปเรื่อย <ๆ lyn? S 2> มันจะมารู้อยู่ที่ใจมากๆเข้า น, นั้นเดี๋ยจิตใจมันจะพลิกแปงออกไปอีกระพลิกแปงออกไปแล้วรู้สึกเออคราวนี้ใช่ละคราวนี้ใช่เสร็จแล้วมันก็จะไม่ใช่อีกเนี่มันจะซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งเราหมดแรงสู้ถ้ายังมีแรงต่อสู้อยู่จิตยังมีแรงสู้อยู่จิตไม่เลิกแสวงหาลง จิตจะดิ้นรวนว่าทํายังไงจิตจะหลุดพน้นทํายังไงเราจะหลุดพ้นอ่ะทําไงจะได้มรรคผลนิพพานสตีแต่ว่ามันจะดิ้นดิ้นดินจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนะมันถอดใจแล้วจนปัญญาแล้วไม่รู้จะดิ้นยังไงต่อไปพอมันจนสติจนปัญญานะมันก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ดูมันไปอย่างนั้นเลยหมดความหวังแล้วว่าชาตินี้จะจบได้มันหมดความหวังนะถ้ายังมีความหวังยังดิ้นใจยังดิ้นได้ พอหมดความหวังแล้วรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้ไปได้ไดมันรู้เองถึงจุดหนึ่งอย่างเราจะเห็นสภาวะซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยตลอดสายของการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เรามาเจออยู่กับจิตผู้รู้เรามีแต่ความสุขคุณหมอรู้สึกไหมเวลาหลุดออกจากจิตผู้รู้มีแต่ความทุกข์แต่ว่าพอถึงจุดเนี่ยอยู่ๆฉับพลันเนี่ยนะตัวผู้รู้มันพลิกตัวแสดงความทุกข์ออกมามันกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลย ปกติพาจิตเราไปกระทบความทุกข์เข้าดูปุ๊บมจะขาดสะบั้นหมดเลยนะด้วยภูมิจิตภูมิธรรมที่ดําเนินมาแล้วเนี่ยกระทบปับป๊บขาดปั๊บขาดแต่คราวนี้กระทบไม่ขาดนงะความทุกข์นั้นนะบีบคั้นนั้นนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, น, น, นแรงขึ้นแรงขึ้นนะทั้งกายทั้งใจเนี่นะเราเห็นแต่ขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยเหมือนกับถูกภูเขาใหญ่ๆลงมาบดๆนะไม่ใช่ทับเฉยๆนะลงมาบดไปบดมาด้วยคือมันมีความทุกข์ถึงขนาดที่รู้ว่า ขาดจากนี้อีกไม่นานเนี่ยนะถ้าไม่เลิกนะถ้าไม่ถอยถ้าไม่ออกจากจิตใจในสภาวะนั้นที่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์บอกถ้าไม่ลุกจากรัตนาบรรลังเนี่ยตายแน่นอนนะจะต้องตายแน่นอนถ้าไม่ตายรอดตายไปจิตระเบิดไม่ตายก็บ้าไปเลยนะเยถึงจุดนี้มันจะต้องอาศัยบารมีที่เราสะสมมาสุดขีดแล้วมันคล้ายๆมารมารุมเราอยู่แล้ว มารตัวแรกก็คือจิตของเรานี่เองแม้มันทุกข์แสนสาหัสเลยนะมารตัวหนึ่งคือความตายมันรู้สึกแล้วความตายมาอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วมันทุกข์จนไม่มีทางออกแล้วลอกจากต้องตายแน่ไม่ตายก็บ้ามารตัวหนึ่งนะคือความคิดอภิสังขารมารเลิกเถอะเลิกเถอะนะถอยออกมาซะถือยังไงนะก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วในมนุษย์นี้มีความสุขกว่าคนทั้งโลกแล้วนะเทียบไปก็สุขยิ่งกว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิอีก ถอเถอะถอยเอถ อ, เอะอยู่ต่อไปทําต่อไปบ้านนะเราไม่ลําบากคนอื่นลําบากนะนี่ยมันสอนได้ขนาดนี้แสบจริงๆเลยนะกิเลสมารเนี่ยก็จะประดังขึ้นมาโมโหมันนะ ม, มันทําไมร้ายนักนะหรือใจนี่สะทกสะทานหวั่นไหวกลัวขึ้นมานะเนี่ยตัวกิเลสมานะครคล้ายๆมัจจุมาลความตายนะเหมือนจะรอตอยู่ต่อหน้าเราเทวปุตตมารคือตัวจิตเรานี่เอง ประมาณห้าตัวนี้ลุมมารุมมาตุ้มอยู่อย่นี้ถัดจากนี้ถ้าไม่ไม่บ้าก็ตายเหลือแค่นี้ไม่มีทางที่ดีกว่านี้ถึงตรงนี้บารมีที่สร้างไว้ถ้าพอนะมาช่วยนะถ้าไม่พอถอยถอยมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ถ้าพออย่างเช่นเราเคยสร้างฐานนบารมีเรากล้าสละไหมเรากล้าสละอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะักล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเรากล้าสละไหมตายก็ตาย บ้าก็บ้ากล้าสละไห ม, หมจะไม่ยอมถอยนะมีอธิฐานะบา ร, รมีตั้งใจมั่นเลยสู้ตายแล้วไม่ถอยคราวนี้จะตายก็ให้มันตายคาการปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละนะมีสัจจะนะต่อไปนี้ขอรู้ความจริงอย่างเดียวตายก็ไม่ว่าแล้วขอตามดูมันจนถึงขีดสุดเลยว่าสุดท้ายมันจะไปยังไงนะขอให้เห็นความจริงเท่านั้นเองนะปัญญาบา ร, รมีนะม่นคอยถอดถอนใจที่จะดิ้นรนนะ่ะ ใจพอกระทบอารมณ์สะเทือนขึ้นมาเรารู้ทันรู้ทันรู้ทันออกไปนะมันถอดถอนการดิ้นรนออกไปปัญญามีหน้าที่ตัดหมดตัดความปรุงแต่งลงไปเรื่ยเนี่ยบารมีทั้งหลายไม่ครบนะขี้เกียจเล่ายาวคือพอกําลังมันพอนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะมันสลัดตัวออกอางโลกเลยมันเหมือนวัตตะคว่ำลงต่อหน้าต่อตามันเหมือนโลกกระเทือนนะกระเทือนที่แท้โลกไม่ได้กระเทือนแต่จิตมันกระเทือนมันคล้ายๆมันหลุดออกจากสิ่งที่ห่อหุ้มมันมา ตอนที่ได้โซดาสกีทาคานาคาเนี่ยมันหลุดออกจากสิ่งที่ห่อพุ่มนะหลุดชั่วคราวไอ้สิ่งที่ห่อพุ่มแบกออกแบแล้วจิตเป็นอิสระขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็กลับมาปิดใหม่อาสวะกิเลสกลับมาปิดใหม่แต่ครั้งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครั้งนี้มันแตกสลายกระจายสลายตัวไปเลยจิตซึ่งแต่เดิมเคยห่อพุ่มไว้ถูกห่อพุ่มเหมือนมีเยื่อห่อพุ่มไว้นะมีมีจุดมีดวงมีที่ตั้งถึงจุดนี้จิตนี้กระจายตัวเต็มโลกธาตุเลย ไม่มีขอบไม่มีเขตในภาษาปริยัติเรียกว่าวิมาริยาที่กัดวิมาริวิมาริยาที่กัดกัดตาจิตใช่ไหมจิตซึ่งไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไร้ดวงไร้ที่ตั้งจิต ด, ดวงนี้เองเนะ่ยมันก็พบมหาสุญญตาเนี่นะเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เนิพพานอยู่ตรงนี้เองนิพพานไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยนะแล้วก็จิตจะเหลือแต่ความสุขล้วนล้นไปสภาวะของจิตมีสองแบบเท่านั้น จิตมีอุเบกขาก็จิตมีความสุขแต่อุเบกขาก็เต็มไปด้วยความสุขเองความสุขที่ประนีตนุ่มนวลรวมความแล้วเหลือแต่ความสุขล้วนๆเลยทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทําอะไรเลยแต่จิตนี่นะเอาอะไรมาเพื่อนมันไม่ได้อีกละไม่มีอะไรย้อมมันติดอีกแล้วเพราะมันหลุดออกอยากเปลือกพุ่มคืออาสวะได้ละนั่นสิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนแต่ละคําแต่ละคำนะฟังง่ายนะแต่ทํากันนานอย่างท่านเคยสอนอัตมานะครั้งสุดท้ายที่เจอท่าน36วันก่อนท่านวรณภาพ ท่านสั่งนะจำไว้นะพบจิตทําลายจิตพบผู้รู้ทําลายผู้รู้ถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบอกเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้เออจำไว้นะไปไปได้แล้วไปลาท่านนะออกมาไม่เคยอะไรอวบอนท่านเลยนะวันนั้นลาท่านอาหารกลับไปดูหลายรอบเลยนะใจหนึงก็อยากไปถามท่านเหมือนกันว่าผมจะได้บวชไหมเนี่ย ไม่ใช่อาจารย์เราไม่ใช่หมอดูไม่ถามอย่างนั้นมันดูถูกอาจารย์อีกใจหนึ่งนันมันอะไรอววรเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นนะออกจากสุรินไปหาท่านคุยกับท่านจนค่าเลยวันรุ่งขึ้นตอนเช้าออกจากสุรินมาแวะโคราชหาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธเนี่ยท่านรู้จักหลวงปู่ ด, ดูลเพราะว่าท่านเคยเป็นเนนอยู่กับหลวงปู่สามไอ้หลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเนี่ยพูดให้ท่านฟังบ่อย พราะว่าท่านดูลนี่เป็นพระสําคัญนะอาจารย์ดูลนี่เป็นพระสําคัญนะท่านเลยฝังไว้อย่างเงี้ยคาว่าพระสําคัญที่ครูบาอาจารย์หมายก็หมายอย่างที่เราว่านั่นแหละแล้ท่านก็เลยฝังใจแล้วมาศึกษากับหลวงปู่พอไปกราบหลวงพ่อพุทธท่านก็ถามง่ายนักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติถ้าหลวงปู่สิมท่านเรียกว่าผู้รู้นะผู้รู้ผู้รู้หลวงพ่อพุทธท่านเรียกนักปฏิบัติถ้าท่านไม่รู้ชื่อ นักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนท่านก็ไปหา ห, าหลวงปู่หลวงปู่สอนบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิต ท, ท่านสอนอย่างนี้สององนะหงพอพะหลวงพอ่อพูดธกับหลวงพ่อคำสอนมันเป็นคำสอนเฉพาะตัวท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกัน หลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทํากติกาตกลงกันไว้ใครทําลายก่อนได้ไดนะให้มาบอกกันนะผ่านมาหลายปีนะหาตัวท่านไม่เจอท่านเป็นมะเร็งท่านอะไรเงี้ยท่านหลบห ล, ลีกท่ท่านกลัวโยมเหมือนหลวงพ่อกลัวเงี้ยก็พยายามหนีแต่เกลียดตะกายซุกซ่อนไปนะสัวกวันหนึ่งก็คงต้องหนีนะเพราะงั้นรีบภาวนานะไม่มานั่งเลี้ยงดูกันตลอดชาติได้หรอก มาเจอท่านอีกทีนะปีสี่านั่นปี26นะหลังจากนั้นก็เจอท่านบ้างแต่ว่าห่างห่างห่างออกไปจนทั่งหลังๆนะั้เป็นปีๆก็ไม่เจอปี4ีสเนี่ยท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทํางานอยู่พอท่านเทศจบเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานแนละ้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกบอกหลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านท่านห้าวหาญฉับพลันเลยนะจิตใจท่านนะเปลี่ยนไปเลย ท่านบอกว่าจิตผู้รู้เนี่ยนะเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองอท่านพูดห้าวหาญน่าฟังมากเลยโอ้เราฟังแล้วซาบซึ้งถึงอกถึงใจซาบซึ้งไหมมีไข่กับลูกไก่จอกมา <c oughs> คล้ายๆที่พระพุทธเจ้ า, าพูดกับพรามณ์คนหนึ่งที่ถือดีท่านบอกท่านเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะเปลือกออกมาได้ ท่านเจาะเปลือกออกมาได้เป็นตัวแรกหลวงพ่อพูดเหมือนกันเลยบอกว่าจิตผู้รู้เนี่ยเหมือนฟองไข่ถ้าลูกไก่นั้นเติบโตเจมเต็มที่แล้วมันจะเจาะทาลายเปลือกออกมาเองเสร็จแล้วก็ลาท่านนะครับท่านนั่งรถผ่านเห็นท่านนั่งรถผ่านมาท่านก็เปิดกระจกนะเราก็ลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นข้างถนนไหว้ท่านแยกท่านใจมันรู้สึกอะไรอาวรท่านนะ นั่นก็เป็นการพบครั้งสุดท้ายเพราะฉะั้นพวกเราอย่าให้หลงพ่ออะไรวนนะมีสถิตินะเพราะงั้นเสร็จแล้วนะคุณหมอจะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรซักอย่างแต่ว่ามีความไม่มีนั่นแหละ ไ, ไม่ได้หายไปศูนย์ไม่มีเหลือไม่ใช่อย่างนั้นศูนย์เป็นวิชชาทิฏฐิ เที่ยงเป็นวิชาทิฏฐนะิเต็มบริบูรณ์อยู่นี่เลยนะถัดจากนี้พูดกันไม่ได้แล้วต้องพูดสองคนนะได้แค่นี้นะพอละเชิญกลับบ้านให้คนะน่ะนวมัสการพระอาจารย์ครับผมมาครั้งแรกนะครับแต่ว่าได้เอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะฮะก็ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้ไป จิตมีปิติรู้ว่ามีปิติที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วรู้ไปเรื่อยๆนะดีใจด้วยไปค่อยดูไปใช้ได้แล้วใจมันตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ใจบังคับตัวเองไว้แล้วรู้สึกไหมไม่บังคับนะปล่อยไปอย่างที่เขาเป็นนี่อีกรายหนึ่งแล้วว่าฟัง C ีดีแล้วใจมาได้อย่างนี้ใจหนีไปคิดแล้วแล้วใจอยากพูดทราบไหมเนรู้ลงไปรู้ลงปัจจุบันไปนะ เห็นไหมความอยากพูดมันดับไปแล้วกิเลสตัวอื่นก็ดูเหมือนที่ดูความอยากพูดเนี่ยแต่อย่าไปเพ่งไว้ปล่อยแล้วก็ตามดูไปสบายๆไม่บังคับนะบังคับนิดนึงขึ้นมาใจจะแน่นๆถ้าใจแน่นๆแล้วก็หยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งปฏิบัติต่อแสดงว่าทาผิดแล้วต้องใจสบายใจโปร่ปงๆใจโล่งๆใจสว่างสวัยที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ลนะ้ดีแล้วมีอะไรจะถาม คือจะถามอาจารย์ว่าบางครั้งพอพอคิดนะครับก็บอกตัวเองว่าอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อ ย, ค, อยคุย <c oughs> คือสังเกตนะถ้าจิตไปคิดเองไม่เป็นไรถ้าเราจงใจไปคิดอันนี้ไม่ถูกยกเว้นเวลาทำงานต้องจงใจคิดนะแต่ถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยจิตเขาคิดของเขาเองไม่เป็นไร ไม่ผิดหรอกแต่บางทีกิเลสเกิดสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นมาใจมันก็บอกฮะนี่ยโกรธอีกแล้วถ้ามันแค่บอกนิดนิดหน่อยหนอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดต่อว่าโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธเลยนะทํายังไงโกรธจะหายนะอย่างนี้เรียกว่าเราไปหลงไปช่วยมันคิดละเพราะงั้นใจจะคิดไม่เป็นไรใจมีหน้าที่คิดจะต้องคิดาพูดได้ยังพูดได้แล้วครับเออว่าไปอ ตอนคือผมปฏิบัติแนวทางของคุณแม่ศิริกแล้วก็ฟังฟังซีดีอาจารย์หลังจากฟังซีดีอาจารย์เวลาปฏิบัติเนี่ยก็พยายามทําความรู้สึกรู้ตัวแทนนะครับอพอทาความรู้สึกรู้ตัวแทนเสร็จปั๊บเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าอมสมัยก่อนที่อาจารย์เทศในซีดีว่าเราสมรถรคข่มเวลาปวดก็ปวดเนาะกาหนดเอาสมรถรคข่มมัน ทีนี้พอตามดูไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยฮะเราก็เห็นมันดับบางครั้งเราเห็นมันดับปั๊บเราก็ดีใจเราก็คิดขึ้นมาว่าอือย่างที่อาจารย์พูดคือเสียงอาจารย์จะแว่วอยู่ในหูว่ามันอนิจจังทุกครั้งอน้าตาเนีครับผมก็เอ๊เราก็รู้สึกขึ้นมาเราก็อยากถามเอ๊เราคิดหรือเราเรารูเรารนะ้เรารู้นะเรารู้อันนั้นเรารู้ช่ไที่ฝึกอยู่ถูกต้องแล้วนะอย่าไปกําหนดเลยนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กําหนดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้คุณลองไปดูมหาสติปัฏฐานสูตรในสติปัฏฐานมีแต่คำว่ารู้นะอย่างบอกว่าหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ใช่ไหมยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้ใช่ไหมจะคุกก็รู้จะเหยียดก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้มีโลภะก็รู้ไม่มีโลภะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะมีแต่คำว่ารู้นะคุณรู้ไป ส่วนใหนักปฏิบัติจะไปติดสมถะ เ, เขาไปเพ่งไว้ไปกำหนดไว้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าระลึกได้ความระลึกมันรู้ขึ้นมาเองมันรู้ทันขึ้นมาเองนะดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่น ะ, ะไปเชิญได้